ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลวงปู่ติยานในวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องชมพูทวีปและประชาชนสืบต่อจากที่ได้กล่าวไว้ในวันก่อนคือเมื่อก่อนได้พูดในแนวของการปกครองหรือการบริหารที่แยกออกเป็นสองประเภทใหญ่ คือปกครองด้วยราชาธิปไตยแต่ว่าข้างล่างนั้นจะมีลักษณะเป็นสภาคามนิคมชนบทอลกราชธานีอีกหนึ่งก็ปกครองแบบคนาธิปไตยหรือว่าสามคีธรรมโดยข้างล่างก็เป็นรูปสภาเหมือนกันทีนี้ในด้านของทางสังคมเนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ เราเห็นว่าลักษณะของชมพูทวีปนั้นเป็นดินแดนที่มีชนเผา่าจำนวนมหาศาลอาจจะที่สุดในโลกก็ได้นะถ้าเรารวบรวมไม่ไดีเพราะมากมายไกยกองจริงๆภาษาต่างๆก็หลากหลายด้วเกินแล้มันก็มีวิธีการที่จะนำคนเข้ามาผูพกพันเปน็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ปุพานได้เศรษฐกิจบ้างหรือสังคมบ้างโดยการศึกษาบ้างโดยการแต่งงานบ้างโดยการบริหารแล้วก็บางทีผสมนะครคือเราจะเห็นว่าอย่างในกรณีของพระเจ้าประเสรินิโกสนกับพระเจ้าพิมพ์พิสารเนี่ยนอกจากว่าจะแลกเปลี่ยนน้องสาวกันแต่งงานคือไม่รู้ใครเป็นพี่เมียรหรือว่าน้องเมียกันแน่นะมันก็เปลี่ยนกัน แล้วก็ก็ให้ดินแดนด้วยทำนองเป็นของขวัญก็หมายความว่าเป็นการเฉลี่ยผลประโยชน์คือจัดสรรผลประโยชน์เพื่อการประนีประนอมกันแล้วในขณะเดียวกันก็มีการเชื่อมโยงในลนักษณะที่เป็นสหายก็เรียกว่าทิฏฐปุพพสหายกันบางครั้งบางคราวก็มีการให้ของขวัญ เป็นการทำนองบรรณาการนะฮะแต่ก็ไม่ถึงกระขนาดนั้นก็เพื่อรักษาน้ำใจแล้วก็ป้องกันไม่ให้ประเทศที่ใหญ่กว่าไปบุกรุกประเทศที่เล็กกว่าทีนี้ในในด้านของศาสนานี่ที่จริงมันคือถ้าเรามองดูว่าดีว่า พ, พัสนาการของ ความคิดทางศาสนาในชมพูทวีปเมอก็เริ่มต้นมาแบบคนอื่นนั่นแหละคือเริ่มต้นจากนับถือธรรมชาติคือดินดน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟนี่จะเป็นหลักแล้วในการต่อมาก็นับถือพวกวิญญาณบรรพุรุษแบบพวกคนป่าทั้งหลายไปแล้วเนี่ยก็มีการอธิบายไว้ด้วยประการต่างๆ เป็นรูปกงผีปูญาติยายคือหมายความว่าผีปูญาติยายเหล่านั้นแม้จะตายไปแต่ว่ายังก็คอยดูแลสรรทุกสุขติจะต้องมมีการเส้นสวงมีการสักการ บ, บูชามีการให้อาหารแล้วตลอดถึงประกอบพิธีกรรมทำบุญทิ์กุศลไปให้ตัว่ารูปแบบมันก็มีความหลากหลายพอสมควรคือสรุปว่า ก็มีความเชื่อว่าชีวิตหลังตายนั้นยังอยู่กับลูกหลานความคิดเหล่านี้ที่จริงก็กระจายไปทุกส่วนของโลกเพียงแต่ว่าจะขนาดไหนอย่างแนวอียิปต์เนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็บางส่วนก็ขาดสู์บางส่วนก็อยู่กับร่างกายมันคล้ายๆกับเป็นพลังงานตั้งจิตที่ อแผ่รังสีครอบคลุมร่างกายรักษาร่างกายเอาไว้มันก็จะออกมาในรูปกระ ม, มมี่คือรักษาศพเอาไว้แล้วก็เราจะเห็นว่าแนวพวกเนี้ยมันก็ออกมาในระยะหลังคือหมายความผ่านพัฒนาการมาหลายพันปีเนี่ยก็ยังมีแนวความคิดเดิมอยู่นั่นก็คือว่าจะมีการฟื้นขึ้นมาเมื่อวันพิพากษาถึงความคิดแนวนี้ที่จริงมีโบราณมาก ก็ทำนองคล้ายๆกับว่าถึงวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าวิญญาณเรียกว่าอะไรก็ได้นะฮะจะเข้าไปสิงสู่ในร่างกายเราเห็นว่าประเทศจิงก็ดีอียบ ก, ด, กดีก็มีเยอะนะประเทศในปัจจุบันที่เผาศพอธิฝังศกก็แสดงว่าพื้นฐานความเชื่อก็ออกมาในแนวของวิญญาณจะกลับคืนสู่ร่าง พอเลยเถิดมาจนถึงศาสนาที่มีการพิพากษาจากพระผู้เป็นเจ้าถึงวันพิพากษาเนี่ยก็มีแนวอย่างนั้นคือหมายความว่าไอ้ศัพท์วิญญาณที่ตายไปแล้วนะมันจะฟื้นคนืนขึ้นมาในรูปแบบเดิมคือหน้าตาเดิมแม้จะเป็นผุยผงไปแล้วเปื่อยเน่าไปหมดแล้วเนี่ยก็เคยถามก็บอกว่าก็ฟื้นมาหมดไอเราก็งงเหมือนกันนะ แต่ว่าเป็นเรื่องละที่ความเชื่อก็มีความกลัวอยู่ปัญหาเหล่านี้ในถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะมีเรื่องที่ไม่รู้เนี่ยมันเยอะเช่นสมมติว่าเราบูชาไฟในไฟอัคคีนะอัคคีหรืออัคคีเนี่ยแล้วก็มาถึงจุดหนึ่งมันก็มีไฟเดี๋ยวไฟฟาแลบฟ้าฟ้าร้องอะไรต่างๆโดยเฉพาะฟ้าแลบเนี่ย แล้วก็เอมมันมีไฟแล้วก็พระอาทิตย์อีกก็มีไฟก็สรุปว่าไฟเหล่านี้มันจะมีการเชื่อมโยงกันพิธีกรรมในการบูชาไฟแม้แต่เขาบอกว่าพรามเองนะฮคำว่าพรามเองเนี่ที่จริงมันมาจากคำว่าไฟนี่เองมาจากผู้อักคณีเนี่ยบูชาไฟบูชาไฟจนไฟมันมีชีวิตก็กลายเป็นสุริยเทพ เรียกพระพระอาทิตย์แล้วในที่สุดก็เอาตัวเองเนี่ยเข้าไปเชื่อมโยงกับพระอาทิตย์ซึ่งเป็นเทพเจ้านะมีตำนานที่เกี่ยวกับพระอาทิตย์ว่ากันละเอียดแล้วเอจนในที่สุดก็สืบเชื้อสายคือจะอ้างตัวเองไปเชื่อมโยงสัมพันธ์ไอสิ่งสูงสุดเหล่านั้นเพื่อตัวเองจะได้สถานนะ ก็อย่างน้อยก็ลูกหลานคนใหญ่คนโตนะฮะก็ได้สถานนะความคิดมนุษย์ที่จริงก็ลักษณะโหนกอิงเนี่ยมันก็มีมาตลอดแม้แต่พระพุทธเจ้ากัเราเองอาจจะเห็นว่าก็อาทิตเตยโคตรหรือสุริยะวงศ์แ ส, สดงมันก็สืบเชื้อสายมาจากพระอาทิตย์หรือพวกจันทร์วงพวกพระรามเนี่ยพวกจันทร์วงก็แสดงว่าสืบเชื้อสายมาจากพระจันทร์แต่ลองสังเกตว่าบูชาวไฟข้างล่างนะฮะแล้วก็ ถือว่าบูชา ว, วิ ช, ชุคือสายฟ้าข้างบนด้วยในขณะเดียวกันก็บูชาตัวชีพมาของไฟก็คือสุริยเทพคนสุริยเทพจะเห็นว่าแถวกรีกก็คเทพเจ้าพลโลกเนี่ยก็คือสุริยเทพเหมือนกันก็บูชาไฟเหมือนกันแล้วก็กลายมาเป็นพวกยานาอวกาศอะไรต่างๆยาดาพโลกความเชื่อเหล่านี้ไม่ใช่เล่นนะฮะคือเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงสถานภาพแต่ก็ยึดโยงอยู่กับความคิดเดิม พอมาถึงน้ำก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเราจะเห็นว่ามันก็มีนับถือน้ำแล้วก็เวลานับถืออะไรก็ตามโครงสร้างความคิดเนี่ยเขาจะก็จะแบบเดียวกันจะเอาที่ดินที่น้ำทีล่ลมที่ไฟก็ได้นะครับคือถ้าเรามองในกระแสความคิดเนี่ยมันระยึดโยงอยู่กับความกลัวกับความไม่รู้ และการอธิบายรูปลักษณ์ของสิ่งเหล่านั้นจะอธิบายในรูปคล้ายๆกับเป็นที่มาของสรรพสิ่งสรรพสิ่งสรรพสัตว์เนี่ยเป็นที่มาเช่นสมมติว่าพวกให้ความสําคัญแก่ดินแล้วก็ทุกอย่างมันมาจากดินหมดเลยและในการต่อมาดินมันก็พอมีวิญญาณอะไรก็กลายเป็นแม่พระธรณีแม่พระธรณีแม่น้ําเองก็กลายเป็นพระคงคาคงคาก็คงคามาจากโลกมนุษย์คงคาสวรรค์ เลยผ่านเสียงประสิวะมาอะไรแต่ก็ว่ากันเยอะยาวเหยียดไปหมดเลยคือสรุปไปเชื่อมกับสวรรค์หมดมันก็มีพระพายอยู่ที่สวงสวรรค์พระพายพระวายุมันก็พัดอยู่นี่แล้วก็ข้างล่างก็คือลมธรรมดามีน้ําอยู่ข้างล่างนะฮะมีน้ําฝนตกลงมาแล้วก็มีพระพิรุณอยู่ข้างบนเป็นที่มาของฝน เราไเชื่อมโยงกษัตริย์กับอะไรต่างๆพวกพญิานาคอะไรแต่ไรเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็มีหมดอะกระแผ่กันไปในประเทศจีนพูดง่ายว่าตรงนี้คือแนวพหุเทวนิยมเทพเจ้าเยอะประจําสิ่งต่างๆประจําภูเขาประจําต้นไม้ประจรํ า, าก็เรียกว่ารายละเอียดมาก็เรียกเทพบักรนมเทปกรนมถ้ามองจากสายสาศาสนาก็เรียกว่าเทพบกรนมถ้ามองจากสายของวิยศาสตร์ ก็คือพวกโหราศาสตรทั้งหลายเนี่ยเราจะเห็นว่าเลิกป่านาที เ, าเกี่ยวกับดวงเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนี่ยมันก็เป็นเทพเจ้าที่สมบูรอายุอย่างนั้นอย่างนั้นเกี่ยวโยงเชื่อมพันุกันอย่างเออเชื่อมโยงกันอย่างนั้นอย่างนั้นส่วนมากก็จะมาปะจากพระพฤหัสบดีแล้วก็ไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็พัฒนาขึ้นไปก็เรียกว่าเป็น สองกลุ่มใหญ่ตามลักษณะของเส้นทางอารยธรรมคือเราจะเห็นว่าพวกที่ใกล้ชิดกับภูเขาไม่เข้าใจภูเขาในรูปแบบต่างๆเป็นนั้นมากมีการเส้นสวงบูชาภูเขากันจนถึงว่าภูเขามีเทพเจ้าก็เสร็จแล้วเทพเจ้าองค์นั้นน่ะมันก็กลายเป็นพระศิวะหรือพระอีศวนเป็นเทพเจ้าประจําไกรลาสสกิรีก็แล้วแต่ยุคสมัยนะฮะแล้วแต่ยุคสมัย ทนี้พวกที่อยู่ริมทะเลมันก็ข้องใจสงสัยกับพฤติกรรมต่างๆของทะเลแล้วก็เจอทั้งคุณทั้งโทษนะฮะอยู่ริมภูเขาก็เจอทั้งคุณทั้งโทษของสภาพแวดล้อมอยู่เต็มทะเลก็เจอทั้งคุณทั้งโทษก็ในที่สุดมันก็คิดจากพื้นฐานความคิดของมนุษย์เองหรือหมาความว่าการที่สามารถให้คุณให้โทษได้ก็แสดงว่าสิ่งนั้นมีบัญญาณมีความรู้สึกนึคิด มีความชอบเป็นความไม่ชอบเพราะนั้นมันจึงมีการบวงสรงอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นโดยพื้นฐานความไม่รู้กับความกลัวแล้วต้องการเนี่ยพวกกามพวกกินพวกนอนเนี่ยอยู่ดีมีสุขทั้งหลายเนี่ยเพราะนั้นการบูชามันก็มีอยู่สองแนวแนวหนึ่งก็เป็นการคล้ายๆกับประจบประแจงขวางเนื้อขวางตัวนะฮะอย่าให้ท่านทำอันตรายหรือเป็นผิดเป็นภัยให้ แล้วบางครั้งบางคราวก็ขอการประสิทธิ์ประสัทเป็นการบวงสรวงการน้อนวอนขอร้องในเรื่องอย่างนั้นอย่างนั้นขอให้ได้ลูกอย่างนั้นขอให้ได้เมียอย่างนั้นขอให้ทรัพย์สินอย่างนั้นได้แต่ใดก็ขอร้องเห็นไหมปัจจุบาลมันก็ยังมีลักษณะขอร้องอ้อนวอนวงสรวงส่ ง, งนั้ำจุกแล้วในที่สุดเนี่ยพอไปได้ข้นมาเนี่ยกเอาไปเชื่อมโยงเยื่อมโยงกับไอเทวดาเหล่าเนี้ยว่าเทวดาเป็นผู้ให้ เพราะอะไรเพราะว่ามนุษย์นั้นจะอ่อนแอนะฮะจะอัตคัดแล้วก็จะกลัวเพราะไม่รู้ไอ้ไม่รู้ก็กลัวนี่เขาอยู่ด้วยกันนะถามว่าทําไมจึงกลัวก็เพราะไม่รู้ทำไมจึงไม่รู้ก็เพราะเราเกิดมาจากอาวิชชาเราก็เริ่มต้นที่ไม่รู้นะะทีนี้จากจากจุดเหล่าเนี้ยทําให้ มันก็อาศัยพื้นฐานความคิดแล้วก็พยายามจะอธิบายแล้วคนเหล่าเนี่ยพัฒนาตัวเองขึ้นมาถึงจุดหนึ่งที่เรียกว่าเป็นพรามณเนี่ตกลงว่าผู้หนึ่งก็บูชาเทพเจ้าประจำภูเขาในเทพเจ้าประจำภูเขานั้นมีเทพบริวาเรเยอะแล้วก็มีองค์ใหญ่ที่สุดก็คือเป็นพระอิศวนพระอิศวนพระศิวะวต่อมาก็พวกภูเขานะฮะภูเขาก็ ไปนับถือพระวิษณุหรือพระนารายณ์เนี่ยนารายณ์ที่แปลว่าแปลว่าดิ้นได้เนี่ยดิ้นในน้ำมานะคือมันก็เชื่อว่าพระนารายณ์นั้นอยู่ที่กษเียนสมุทรแล้วบรรทมอยู่บนหลังของอนั น, นตนาคราชหอ ย, ยโตโมโหรานมนาะแล้วก็เมื่อก่อนก็มีชายานะมีมีมหายศีก็เรียกมีสัตดิอยู่กู อยู่สามองค์เมื่อก่อนเนี่ยก็คือเนี่ยพระอุมาพระสุรัตววดีพระลักษมีเนี่ยฮะเมื่อก่อนก็ที่จริงก็เป็นศักดิ์ของพระนารายณ์แสดงว่าวัตรธรรมแถบแม่น้ำเนี่ยมันจะมีปัญญามากนะฮะผู้ชายองค์มีปัญญามานเทพเจ้าเหล่านี้ก็เป็นที่เคารพนับถือแล้วก็หมายความว่าจะเกิดผลดี ถ้าเกิดผลดีก็แสดงว่าพระเจ้าประสิทธิ์ประสัทให้เทพเจ้านะตอนนั้นยังไม่เป็นพระเจ้าระเทพเจ้าประสิทธิ์ประสัดให้ถ้าเกิดผลไม่ดีขึ้นมาก็โทษตัวเองนะว่าเราไปทําไม่ถูกไม่เป็นที่พอพระทัยของเทพเจ้าเทพเจ้าถ้าก็ลงโทษนี่คือลักษณะยอมจํานนเป็นจุดอ่อนที่สุดในหมู่มนุษย์ก็คือจํานนในสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นหรือว่าสิ่งที่ตัวเองจินตนาการขึ้น ในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้ามันแก้ไขปัญหาเหล่านี้เยอะมันแก้ยากมากและบางทีก็ต้องเล่าเป็นนิทานเป็นชาดกอะไรต่างๆเพื่อให้ได้คิดกันก็แก้ได้ยากนะเวลานี้ก็ยอมจำนนต่อเทพเจ้าบอกว่าเช่นสมมติว่าพระเสารสวยอายุพระราหูให้โทษก็ต้องประจบประแจงพระราหนะูเอาของมาเส้นสวงพระราหูเอาของดำด ว่าเส้นกันไปได้นะพวกนี้ยังหากินได้อีกนานนะมนุษย์ยังมีปัญหาในตัวของมนุษย์เองอย่าเรื่องไม่ว่าจะเทคโนโลยีก้าวหน้ายัางไงก็ตามนะฮะพวกนี้จะหากินได้เยอะเลยเพราะเรายังแก้ความกลัวกับความไม่รู้ไม่ได้มนุษย์ไม่ได้สําเร็จรูปนะฮะไม่เกิดปั๊บมาถึงมันรู้หมดมันไม่ใช่อย่างนั้นมันมาจากอาวิชาเพราะนูนมาจากอาวิชามันก็เริ่มต้นหนึ่งที่ความไม่รู้ทุกทีเลย เกิดเมื่อคี่ชาติคี่ชาติก็เริ่มที่ความไม่รู้เพราะมันไม่รู้ก็กลัวเรื่องเหล่านี้จึงสามารถที่จะครอบงำสังคมอยู่ได้ตลอดแต่ลักษณะยอมจำ น, น, จนวนโดยเฉ่าเราจะกลัวผีจะกลัวเทวดาจะกลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะฮะและบางทีเราก็สร้างขึ้นมาเองสร้างขึ้นมาเองก็กลัวคล้ายๆกับที่บางชี่ บางที่เนี่ยไปอยู่ไม่ได้ไปนั่งไม่ได้เป็นอัปมงคลจะเป็นอันตรายอย่างนั้นอย่างเงี้ยเราก็ว่ากันแล้วเราไม่ได้คิดเทียบเคียงนะฮะลักษณะความยอมจำนนแนวเนี้ยยกยกตัวอย่างว่าตรงเนี้ยวังนี้เป็นของกษัตริย์ตรงนั้นที่ประทับของกษัตริย์ตรงนั้นเก้าอี้ตัวนี้เป็นพระเก้าอี้ของกษัตริย์ตรงนั้นแล้วก็สามัญชนไปนั่งไม่ได้เป็นอัปมงคลเป็นเสน่ห์จะต้องเป็นนั่นเป็นอย่างงี้แต่เราไม่ได้นึกนะว่าประธานาธิบดี ของรัสเซียเนี่ยอยู่ที่เครมลินนะฮะพระราชวังเครมลินราชวังปักากาิ่งปกตหน้าใหญ่คอมมินิตมันก็อยู่ที่วังที่ปักกิ่งนะเขาอยู่กันไม่แยกนะฮะเราจะเห็นว่าอะไรละ่ะที่ฝรั่งเศสประธานาธิบดีก็อยู่พระราชวังเอลิเซ่ก็ไม่เห็นเ้ามีอะไรแล้วก็อยู่ได้ปกติดีแต่นี่คือเราเห็นว่ารัชที่ยอมจำนนเนี่ยจะไม่ไปคิดจะไม่กล้าคิด เ็ากลัวจะเป็นการร่วงระเมิดอำนาจของเทพเจ้าเพราะเทพเจ้าก็บังทีเทพเจ้าเราสร้างกนเองอาศัยความกลัวความไม่รู้เราสร้างกันเองแล้วท่านก็ศักดิ์สิทธิ์จเพราะว่าเวลาเราได้ดีมีสุขเราก็บอกว่าเทพเจ้าช่วยวได้ทุกเดือดร้อนก็บอกเราทำไม่ดีก็ไปจบลงโทษตัวเองไปจบเทพเจ้าแล้วก็ยอมจำนนนะฮะแม้จะไม่ดีขึ้นมาก็ยอมจำนน ว่าถึงช่วงที่พระราหูท่านให้โทษอยู่ก็ต้องทนเอาพระเสาท่านให้โทษอยู่ก็ต้องทนเอาย้อนยน น, นนะ์ก็เป็นเรื่องนี้น่าเอ็นดดียวกั น, นมนุษย์เนี่ยก็เป็นปัญหาที่สร้างความแตกแยกนะเราจะเห็นว่าในสุดแล้วก็มีความแตกแยกเพราะว่าอแต่ละคนพระเจ้าแต่ละองค์เทพเจ้าแต่ละองค์ตอนนี้ยังไม่เรียกพระเจ้านะเทพเจ้าแต่ละองค์ก็มีลูกน้อง แล้วก็เมื่อเมื่อมีลูกน้องความสําคัญของเทพเจ้าก็ไม่มีหนึ่งเดียวนะแล้วแต่ว่าใครจะนับถือใครอย่างบ้านเราเองเราลองสังเกตว่าเทวดาพ ร, รามเนี่ยมาอยู่เต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพระนารายพระโอ พ, พระเนตรพระอิน พ, พระพคมพระอะไรต่างๆเยอะไปหมดเลยเทวด า, านี่เต็มไปหมดเลยแล้วก็แม้แต่ในบทพระแก้วนะเราจะเห็นว่าก็มีเทวดา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับท้าวไอศุวรนแต่ตอนนี้เราก็ไม่ถือของพรามแล้วนะท้าวไอศุวันเนี่ยต่อมาท่านเป็นอุปัชฌสุแล้วก็เป็นพระเรียบบุคคลเป็นพระนาคามีนะฮะรู้สึกจะไม่ใช่เป็นพระนาคามีเป็นพระโสดาบันเลยเลยพอใช่เป็นนาคามีเป็นนาคามีแต่ว่ามันยังไม่ตายนะยังไม่จุดติเกิดแล้ไม่ได้เกิดในสุตตาวาสลวเลย อ, อายุกอนเทวดาก็นานเออท่านเรียก คุวาซิกาซึ่งเป็นประโสดา บ, บันนเรียกว่าน้องสาวเพไม่ใช่กันเน้ท่านท่านท่านถ้าเป็นประโสดา บ, บันนีะเป็นประโสดา บ, บันก็เรายังให้ความสำคัญแก่เทพเจ้าเหล่านี้แล้วก็จะความคิดเดิมนะเราลองสังเกตความคิดเดิมเมื่อหมายความมาถ้าได้ดีเนี่ยคือเทพเจ้าประทานให้ถ้าไม่ดีเราก็เส้นสูงไม่ดีเราทําผิดต้องขอกมาลาโทษ เทพเจ้าไม่ผิดอ่เนะทพเจ้าไม่ผิดถ้าผิดก็คือเราแต่พอกับพ่อแม่เนี่ยเราไม่ผิดนะพ่อแม่ผิดมันก็แปลกเดียวกันนะ่ะี่จริงพ่อแม่ก็เป็นเทพเจ้านะเป็นพระพรหมเป็นเทวดาของเราดังนั้น้าที่นับถือเทพเจ้าในลักษณะนี้ต่างคนต่างนับถือมันเป็นประเทวานิยมเกิดความสำคัญแก่เทวาดาแล้วก็เทวาดาใหญ่ก็มีสององค์เนี่ยแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็มีเทพบริวาร พอเกิดเทพบริวารขึ้นมาต่างคนบางพวกเนี่ยลดไปนับถือเทพบริวารหรือถ้าเราดูก็เป็นความคิดของสังคมมา น, นะก็ใกล้ๆกับอะไรล่ะมันมีกษัตริย์แล้วก็มีโอรสธิดาของกษัตริย์รองลงมาเรื่อยๆคนมันก็สังกัดเป็นสายเป็นสายเป็นสายเป็นสายไปแล้วในสุก็เล่นพรรคเล่นพวกกันเนะก็ต่อสู้กันฝ่ายไหนที่มีพรกพวกมีกําลัง ก็เอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งได้มันก็มุนวัวกันอยู่อย่างเงี้ยก็ทำให้มันเกิดเป็นปัญหาว่าไม่สามารถสร้างเอกภาพได้เพราะเกิดปัญหาทางสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยไอจุดจะเชื่อมมนุษย์กับมนุษย์ได้เป็นหนึ่งเดียวกันมันไม่ใช่ไปใช้สายใหญ่อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างที่บอกไว้นะเราสังเกตดูเพื่อนบ้านเราก็ได้เนี่ยดูเพื่อนบ้านเดีนวมาสิงคโปร์เนี่ยเราจะเห็นว่า มันไปนเชื่อมโยงไว้ด้วยเศรษฐกิจธธกด้วยสังคมด้วยการศึกษาก็ เ, าเปิดโอกาสกว้างแต่วก็จีนแล้วเอาจริงจริงแล้วเนี่ยเราจะจะพบว่าอย่างสิงคโปร์เนี่ยนายกบัญชีมันก็ถวนมากก็เป็นจีนนะฮะแต่ประธานาธิบดีบัธีก็ได้ไปพวกอินเดียบ้างนะมาเลเองก็มีลักษณะอย่างนั้นก็มีชนอยู่สามเผ่าหญ่ แล้วก็เชื่อมโยงกันไว้ด้วยเศรษฐกิจด้วยสังคมด้วยการศึกษาแต่ว่ามีมีความแตกแยกทางด้านศาสนาแล้วพอดีชนพอมาเละมากและวศา ส, สนาหนัาถือศาสนานสลับมากมันก็ไม่ค่อยมีร่องรอยพอ ม, มาดูอินโดนีเซียแล้วจะชัดเลยเราจะเห็นว่ามันก็เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ําทางสังคมแล้วก็ความแตกแยกทางศาสนาเกิดนับถือ ศา ส, สนาที่มีพระเจ้าด้วยกันนั่นแหละแต่ว่าพระเจ้าคนละองค์กันนะแล้ว ก, ก็มีข่าวค ร, ร า, าวลบราคาดฟันกันอยู่เรื่อยเลยเห็นไหมที่จริงตรงนี้มันสามารถโอนไปเทียบเคียงยุคก่อนพุทธกาลได้ว่ามันก็คือกันแหละคนมันก็คือกันความคิดความอ่านก็คงเริ่มมาจากอวิชชาเหมือนกันดังนั้นก็ทำให้เกิดความคิดกระแสะใหม่ขึ้นนะ ก็ทำยังไงจะผลึกให้คนรู้สึกว่าตัวเองมาจากแหล่งเดียวกันเรื่องใหญ่นะก่อนคิดเรื่องนี้จะกลายเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็คิดยากแล้วก็สำเร็จได้ยากนะแต่ว่ามนุษย์จะต้องพยายามดิ้นรนเวลานี้เองก็ยังดิ้นรนกันอยู่นะแม้แต่องค์การประชาชาตินั้นคือร่องรอยของการดิ้นรนที่จะสร้างเอกภาพขึ้นภายในโลกไปเนี้ย ทำยังไงวาคนอยู่ร่วมกันอย่างมีเอกภาพมีสามาัคคีทำได้ดิโดนก็นมาตลอดแล้วก็ถ้าพูดถึงถามเจตนาดีไม่ทุกคนเจตนาดีแล้วก็เข้าใจวิธีการเ็าตัวเองนั้นเองสามารถจะเชื่อมโยงมนุษย์กับมนุษย์ได้แล้วก็สร้างเอกภาพขึ้นมาได้ก็จะแดงบทบาทกันออกไปื้องฟังทั้งหลายแต่รูปประโพธิญาณในวันนี้ขอยยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยตัวกันสวัสดี